ก็ไม่อาจาประสบความสำเร็จได้เลยนอกเอจากความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วความสำเร็จและความช้าเร็วเป็นต้นยังขึ้นต่อปัจจัยอื่นอีกโดยเฉพาะการฝึกที่ถูกวิธีการมีผู้แนะนำหรือครูดีที่เรียกว่ากัลยาณมิตรตลอดจนสภาพในกายและสภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นต้นโด ย, น, ยนัยนี้ท่านจึงจาแนกการปฏิบัติธรรมที่ประสบความสาเร็จเป็น4ประเภท เรียกว่าปฏิปทาสีคือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติยากลําบากทั้งรู้ช้าคือมีอภิญญาช้า 2. ทุกขาปฏิปทาขิดปาพิญญาปฏิบัติยากลําบากแต่รู้เร็วคือมีอภิญญาเร็ว 3. สุขขาปฏิปทาทันทาพิญญา ปฏิบัติสะดวกสบายแต่รู้ช้าคือมีอภิญญาช้า 4. สุขาปฏิปทาคิดปาพภิญญาปฏิบัติสะดวกสบายทั้งรู้เร็วคือมีอภิญญาเร็วในบรรดาองค์ประกอบต่างๆหลายๆอย่างที่ทำให้ปฏิบัติยากหรือง่ายรู้ได้ช้าหรือเร็วนั้นสมาธิก็เป็นปัจจัยแห่งความแตกต่างอย่างหนึ่งด้วยได้กล่าวแล้วว่า ผู้ปฏิบัติธรรมอา จ, จเจริญวิปัสสนาไปได้ทันทีโดยอาศัยสมาธิขั้นต้นเพียงเล็กน้อยและก็เป็นไปได้ที่จะบรรลุอาสวัคคายาณที่เป็นจุดหมายแต่ใครจะบำเพ็ญสมถะให้ได้ฌานเสก่อนเป็นฐานมั่นคงแล้วจึงจเจริญวิปัสสนาก็ได้ความข้อนี้ก็มาชัดขึ้นที่เรื่องปฏิปทาสี่นี้ด้วยกล่าวคือท่านแสดงว่าผู้ที่ได้ฌานสี่แล้ว จะมีการปฏิบัติที่เป็นสุขขาปฏิปทาคือปฏิบัติสะดวกสบายส่วนผู้ที่เจริญอสุภาษสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาและมรณสัญญาเป็นต้นพวกนี้ตามหลักที่ผ่านมาแล้วว่าได้อย่างมากเพียงปฐมฌานหรือเพียงอุปจาระสมาธิจะมีการปฏิบัติที่เป็นทุกขาปฏิปทาคือปฏิบัติยากลําบากไม่สู้จำชื่นในระหว่างปฏิบัติ